Thank you. เราเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสมันไม่ใช่เพียงแค่รับรู้ว่ามีผัสสะอะไรเกิดขึ้นกับกายของเราเท่านั้นนะส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีการปรุงต่อไปทำให้เกิดความชอบไม่ชอบและการปรุงหรือว่าการคิดต่อจากสิ่งที่ได้ยินได้เห็นบางทีก็เกิดขึ้นแบบ ที่เราไม่ทันรู้เนอรู้ตัวหรือว่าเกิดขึ้นอย่างที่จะเรียกว่าควบคุมไม่ได้ก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งอาอยุประมาณสัก70เป็นมะเร็งก็ได้รับการฉายแสงแล้วก็ทำเคมีบาบัดเคมีบบัดนี้ก็10กว่าครั้งนะช่วงที่ทำเคมีบาบัดก็พักอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่หลายวัน ออกมาก็ดูท่าทางจะโซมนะวันหนึ่งลูกสาวก็เลยพาแม่ไปเที่ยวเป็นการทักพื้นไปในตัวก็พาไปเชียงใหม่อตอนเช้าก็พาไปดอยสุเทพไปดูสวนสัตว์เชียงใหม่นะสมัยนั้นมีเดี๋ยวนี้ก็คงยังมีอยู่มั้งแพนด้าเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวชมวัด ที่สวยงามสำคัญคัญตอนเย็นก็เข้าโรงแรมนะเช็คอินเสร็จก็พาแม่มากินอาหารที่โรงแรมนั่นแหละแม่ลูกสาวเห็นแม่ยังยังโซมอยู่นะเรียกว่าต้องการการพักฟื้นก็เลยสั่งข้าวต้มให้แม่แต่แม่ก็ไม่ยอมกินแทนที่จะกินอาหารแม่ก็ อุ้มหลานเนี่ยเดินรอบๆโต๊ะลูกสาวก็ห่วงว่าแม่สุขภาพก็ไม่ค่อยดีผอมก็เรียกให้แม่มากินข้าวเรียกเท่าไหร่แม่ก็ไม่ยอมมากินข้าวต้มจนกระทั่งลูกสาวเนี่ยต่อว่าแม่ว่าไม่รักษาตัวไม่ดูแลตัวเองผอมอย่างนี้แล้วข้าวปลาอาหารไม่ยอมกินก็ว่าแรงๆนะด้วยความปรารถนาดีนะ แต่ก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะไอ้ความปรารถนาดีบางครั้งเนี่ยมันก็ทาให้เกิดโทสะเมื่อคนที่เรารักคนที่เราปรารถนาดีเขาไม่เป็นไปดังใจหรือไม่ทำตามความปรารถนาดีของเราแม่ก็ยังไม่ยอมกินข้าวต้มอยู่นั่นแหละสุดท้ายลูกสาวก็ต้องอไปซื้ อ, อยางอื่นมาให้แม่กินก็เกิดการมินตึงทั้งสองคนตกขํามก็ เข้านอนสองคนเนี่ยแม่ลูกก็นอนอยู่บนเตียงเดียวกันดึกๆลูกสาวก็ดินเสียงร้องไห้ให่ใครร้องไห้นะปะกากฏว่าแม่คือก่รนะร้องไห้ลูกสาวก็เลยถามแม่เป็นอะไรแม่ก็บอกว่าแม่เสียใจแม่น้อยใจนะที่ลูกมาว่าแม่ลูกก็บอกว่าก็อยากจะให้แม่นะ ดูดายสุขภาพนะแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่าแม่เนี่ยเกลียดข้าวต้มแม่เกลียดข้าวต้มมากเลยเพราะว่าเห็นข้าวต้มแล้วเนี่ยมันทําให้นึกถึงตอนที่อยู่โรงพยาบาลตอนที่ได้รับเคมีบําบัดเนี่ยโรงพยาบาลก็เอาข้าวต้มให้กินทุกวัน พอเห็นข้าวต้มเนี่ยก็รู้สึกถึงความมันนึกถึงความทุกข์นะความทรมานตอนที่อยู่โรงพยาบาลมันกินไม่ลงนะี่ยเพราะว่าตอนอยู่โรงพยาบาลนี่มันทุกข์ทรมานมากพอกเทบิมบัตแม่เกลียดเกลียดข้าวต้มแม่เกเลเกียดแม้กระทั่งนางพยาบาลเกลียดทุกคนเลยเนะี่ยเพราะว่า คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แม่ทรมานมากลูกสาวก็เลยรู้ความจริงนะว่าทําไมแม่เนี่ยไม่ยอมกินข้าวต้มสําหรับลูกสาวข้าวต้มก็คืออาหารที่บำรุงสุขภาพสําหรับคนที่กําลังพักฟื้นแต่สำหรับแม่เนี่ยมันไม่ใช่ข้าว้าต้มเฉยๆนะมันทําให้นึกถึงความทุกข์ทรมานความรู้สึกที่ย่ําแย่นะตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็เลยกินไม่ลง ลูกสาวก็เลยเพิ่งรู้ความจริงนั่นเองที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันมันน่าจะลงเ อ, อ่ยดีกว่านี้นะถากว่าลูกสาวเนี่ยถามแม่สําหน่อยว่าทําไมไม่กินข้าวต้มแต่ว่าลูกสาวไม่ถามนะพอแม่ไม่กินข้าวต้มลูกสาวก็ว่าบางครั้งเนี่ยเพียงแค่ถามสักหน่อยนะเราก็จะรู้เหตุผล้เรื่องเกี่ยวข้าวต้มเนี่ยนะ ลูกสาวนี่นึกไม่ถึงกันนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าฝังใจนะเพราะว่าเห็นข้าวต้มทีไรแม่ก็นึกถึงความทุกข์ทรมานตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็พาให้เกลียดใครต่อใครที่เกี่ยวข้องกับข้าวต้มนั้นเนี่ยมีคนนึงนะไม่ได้เกลียข้าวต้มนะเกลียดเป็ดทมัยถึงเกลียดเป็ดนะเรื่องของเรื่องคือว่า ตอนที่พ่อไม่สบายนะพ่อก็อาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆแต่ว่าพ่อนี่ก็ย่าพอมีเรื่องมีแรงกินอะไรได้วันนึงพ่อก็บอกลูกชายว่าอยากกินเป็ดนะเป็ดเอ่อเป็นเป็ดปุ้นนะนะแต่ลูกชายไม่มีเวลาลูกชายไม่ว่างก็เลยไม่ได้ซื้อให้แล้วจากนั้นไม่กี่วันพ่อก็ตาย ลูกชายเดิมที่เขคิดว่าคงจะผัดผ่อนนะนะว่าเดี๋ยวค่อยวันหลังก็ซื้อเป็ดว่าให้พ่อแล้วกันแต่สุดท้ายก็ซื้อไม่ได้ซื้อพ่อตายซะก่อนแกเสียใจมากแล้วก็รู้สึกผิดว่าเนี่ยไม่ได้ทําในสิ่งที่พ่อปรารถนาแค่ซื้อเป็ดเนี่ยนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้นอกจากเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดด้วย มันเป็นความรู้สึกฝังใจนะพ่อในอุตสาห์เลี้ยงดูมาด้วยความเหนื่อยยากนะแต่ว่าลูกชายทำให้พ่อแค่นี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันฝังใจลูกชายพราะ น, นเวลาลูกชายเนี่ยเห็นเป็ดที่ไรเนี่ยนะมันจะนึกถึงความผิดที่ตัวเองได้ทำกับพ่อนึกถึงแล้วมันก็เจ็บปวด แล้วก็เลยเกลียดเป็ดนะไม่ว่าจะเป็นเป็ดอะไรก็ตามเป็ดปุ๋นเป็ดย่างหรือก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่เห็นแล้วมันเกลียดมากทางที่แต่ก่อนนี่ชอบกินนะอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกลี่ยข้าวต้มหรือว่าเกลียดเป็ดเนี่ยนะมันเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเวลาเจออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้แค่เห็น ในสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเท่านั้นแต่ใจมันยังคิดไปต่อนะคิดโยงไปถึงประสบการณ์ในอดีตอาจจะเป็นความสุขก็แล้วไปนะแต่ถ้ามันเป็นความทุกข์ความเจ็บปวดความรู้สึกผิดหรือว่ า, าความทุกข์ทรมานเนี่ยมันก็ทำให้เกิดบาดแผลขึ้นมา ละสิ่งนี้มันฝังใจคนได้ง่ายๆนะตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกล็ดเป็ดไปอีกนานเท่าไหร่ต่อไปพอลูกเนี่ยซื้อเป็ดมาให้กินก็คงจะกินไม่ลงเหมือนกับแม่คนที่กินข้าวต้มนะที่ลูกซื้อมาให้ไม่ได้คนเราเนี่ยมันจะมีนะความฝังใจกับสิ่งต่างๆนะอย่างไม่รู้ตัวนะ บางอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตเท่าไหร่แต่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฝังใจมากแล้วคนเราก็ไม่รู้ทันนะว่าเวลาเราเห็นเวลาเราได้ยินเวลาได้กิ่นเนี่ยมันไม่ได้แค่ได้ไ ด, ได้ได้ลิ้มรสว่าข้าวต้มเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ได้แค่ลิ้มรสว่าต้มข้าวต้มมันเค็มหรือว่ามันจืดหรือว่าอร่อยไม่อร่อยเนี่ย แต่ใจของเราเนี่ยมันโยงไปไกลกว่า น, นั้นอย่างอย่างคนที่เป็นแม่เนี่ยนะมันไม่ได้แค่ชิมนะแค่เห็นเท่านั้นแหละหรือรวมทั้งได้กลิ่นด้วยเนี่ยมันก็จะนึกถึงประสบการณ์อันเลวร้ายนะที่โรงพยาบาลแลเรื่องนี้เนี่ยคนที่ไม่ไม่ประสบก็ไม่เข้าใจนะจากสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้เพื่อที่เห็นว่าใจคนเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ อย่างที่บางทีเราก็ไม่รู้ไม่ทันรู้ตัวบางอย่ามก็ดีนะบางอย่ามก็ไม่ดีมันเคยมีการทดลองที่มีชื่อเสียงมากนะเป็นการทดลองกับหมาเอาหมาไว้ในกรงทุกเช้าเนี่ยเวลาให้อาหารหมาเนี่ยก็จะสั่นกระดิ่งทุกครั้งที่หาก็จะสั่นกระดิ่งให้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะ อาทิตย์ต่อมาเนี่ยไม่ได้ให้อาหารนะแค่สั่นกระดิ่งเนี่ยหมาก็น้ํำลายไหลแล้วทําไมทําไมหมาเพียงแค่ได้ยินเสียงกระดิ่งก็น้ํำลายไหลแล้วตั้งที่อาหารเนี่ยยังไม่ได้เห็นเลยเพราะหมาเนี่ยมันเชื่อมโยงระหว่างเสียงกระดิ่งกับอาหารเพราะว่าทุกวันเนี่ยเวลามีอาหารมาทีไยก็มีเสียงกระดิง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยนะมันก็จะนึกถึงอาหาร อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นความจําได้หมายรู้ก็ได้บางคนเราก็เป็นอย่างนี้นะบางทีได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็น้ํำลายไหลหรือว่าได้กลิ่นบางอย่างเราก็อาจจะน้ําลายไหลนะแต่ที่เราเห็นเป็นปกติคือเวลาได้เห็นภาพอาหารเนี่ยเห็นภาพพิซซ่าเห็นภาพไก่ ย, ย่างเราก็น้ำลายไหลแนะเพราะอะไรเพราะมันทําให้เรานึกถึงรสชาติที่เราเคยกิน แต่บางทีมันก็มีสิ่ที่ผลมากกว่า น, นั้นนะมีอาจารย์คนหนึ่งก็เล่าว่าตอนที่ยังหนุ่มเนี่ยแกก็ติดบุหรี่นะแล้วก็มีช่วงหนึ่งไปเรียนที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งของทหารสถาบันนี้เนี่ยเวลาเวลาเวลาพักนะเวลาพัก เบรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักกลางวันพักเที่ยงหรือว่าเวลาหมดชั่วโมงสอนเนี่ยจะมีเสียงกริ่งเสียงเสียงกริ่งดังแปลว่าหมดชั่วโมงสอนแล้วแล้วก็อาจารย์คนนี้เนี่ยกับเพื่อนเพื่อนก็จะออกมาห้องออกมานอกห้องมาระเบียงแล้วก็สูบบุหรี่พอมีเสียงกริ่งก็หยุดบุหรี่แล้วก็กลับเข้าออห้องเรียนก็เป็นอย่างเงี้ยทำเงีเป็นปี จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาต่อมากนะ็ไปสอนที่มหาวิทาลัยเกษตรมาวิาทาลัยแห่งนั้นเนี่ยเวลาเวลามีชั่วโมงสอนหรือว่าเลิกสอนเนี่ยไม่มีเสียงกริ่งนะไม่มีเสียงกริ่งดังปอากว่าแกก็หยุดเลิกแกก็เลิกสูบบุหรี่ไปเลยนะ เลิกสูบบุหรี่แบบไม่รู้ตัวมารู้ตัวว่า เ, เราหยุดบุหรี่ไปก็หลังจากเหตุการณ์ผ่าไปได้เป็นเดือนแล้วก็มานั่งลำดับว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าที่กะระแสนี่นะเขาไม่มีเสียงกริ่งเวลาเลิกสอนเวลาเลิกเรียนนะพอไม่ได้ินเสียงกริ่งเนี่ยนะมันก็เลยไม่ได้นึกถึงบุหรี่นะผิด ก, กับตอนที่อยู่สถาบันการศึกษาของทหารเนี่ย เนเสียงกลิ่นทีไรมัก็มันก็อยากบุหรี่นะเพราะว่ามันแปลว่าเป็นช่วงเวลาพักนะแต่ว่าที่เกษตรนี่ ก, กนะ็ไม่มีเสียงกลิก่นพอเลิกสอนนะไม่มีเสียงกลิ่นก็ไอความอยากบุหรี่มันก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดมีเสียงเมื่อไหร่นะมันก็อยากบุหรี่เมื่อ น, นั้นแหละอันนี้มันก็เป็นอาจารย์คนนี้แกก็เล่าว่าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการทดลอง อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะหมาเนี่ยพอไม่ได้เสียงกริ่งมันก็น้ำไหลไหลคนบางคนพอได้เสียงกระดิ่งเสียงะระฆังก็เปรี้ยวปากนะอยากสูบบุีมันก็ชี้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือว่าผัสสะที่มากระทบตาหูจมูกร่างกายเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อต่อใจคนเรามากนะโดยที่บางทีมันก็เราก็ไม่รู้ตัวนะ เช่นพอได้เสียงกริ้งแล้วเนี่ยมันก็อยากสูบบุหรีนะ่เนี่ยเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวนะแล้วก็อาจจะควบคุมไม่ได้ด้วยแต่ที่จริงเมื่อควบคุมได้นะถ้ารู้ทันเนี่ยออรู้ว่ามันมีความอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาแล้วก็ดูมันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราปล่อยใจให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิง่งแวดล้อมมากกายด้วยนะ ที่จริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องตกอยู่ภายใต้ที่คนสิ่งวัตถล้อมก็ได้ขอให้เรารู้ทันไงมีผู้ชายคนหนึ่งแกเล่าว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิมันจะเห็นเป็นเหมือนนิมิตนะเป็นมือเป็นมือที่ยื่นมาข้างหน้า พอแกเห็นมือเนี่ยแกจะเสียววาบแล้วเกิดความกลัวเพราะว่ามันทำให้นึกถึงมือของพ่อไอ้มือของพ่อเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยแกเคยถูกมือเนี่ยตีถูกมือนี่ตบถูกพ่อเนี่ยตบเป็นประจำทาให้กลัวแล้วก็โกรธ ด, ด้วย เนี่ยพอเห็นมือในสมาธิเนี่ยแกก็ทําสมาธิต่อไม่ได้ตัวนี่สั่นเลยนะทาต่อไม่ได้ต้องเลิกแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่แทบทุกครั้งที่ทําสมาธิพอสมาธิเนี่ยจิตเริ่มเป็นสมาธิเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเห็นมือเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดอาการตื่นตหนกตกใจกลัว เป็นอย่างนี้หลายครั้งตอนที่สุดเนี่ยแกบอกว่าไม่ไหวแล้วเลิกทำสมาธิดีกว่พาพอทําแล้วทุกครั้งก็เจอมันทําให้นึกถึงประสบการณ์ที่เลวไายสมาธิพ่อเนี่ยทำร้ายลูกนะตบนะดา่าแต่ว่าหลังจากที่แกเลิกทําสมาธิมาสักพักแกก็คิดว่าถ้าเราจะหยุดทําสมาธินี่มันจะดีรึนะเพราะว่าสมาธิมันก็มีประโยชน์ ถ้าเราจะเลิกทำสมาธิเพียงพ่อเหตุผลแค่นี้เนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะแกก็เลยคิดว่าเนี่ยจะลองจะลองจะพยายามข้ามประสบการณ์นี้ไปให้ได้ใจหนึ่งก็กลัวนะเพราะมันเป็น <c oughs> มันเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกในใจในความกลัวพ่อและเกลียดพ่อไปพร้อมๆกันเนี่ย แต่ว่าวันหนึงเนี่ยแกคิดว่าจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ในงั้นชาตินี้เนี่ยจะ ม, มีวันทําสมาธิได้เลยแล้ววันหนึ่งแกก็พอได้บรรยากาศที่สงบแกก็นั่งทาสมาธิวิทํทสมาธิก็ปิดตาตามลมหายใจเนี่ยนะพอทําได้สักพักนี่นะมาอีกแล้วนะไอ้มือที่กลัวเนี่ยมันก็โผล่มาแต่ว่าคราวนี้แกตั้งใจว่าเนี่ยแกจะ ผ่านมันไปให้ได้แกก็เหลือรูปลงความกล้าเนี่ยแทนที่จะเลิกทำแกก็มานั่งพินิจพินิดูดดไอ้มือที่มันปรากฏอยู่ในนิมิตเนี่ยพอดูดูไปเนี่ยนะปรากฏว่ามันไม่ใช่มือที่จะตบแกอย่างที่เคยคิดนะสิ่งที่แกเห็นก็คือมือนั้นเนี่ยเป็นมือที่กำลังขออะไรบางอย่าง เป็นมือที่กำลังขออะไรบางอย่างจากแกตรงนั้นเองที่ทำให้แกเนี่ยเข้าใจพ่อมันมันก็ปลดล็อกบางอย่างเพราะเมื่อแกทบทวนประสบการณ์ในวัยเด็กแล้วก็ชีวิตของพ่อเนี่ยแกก็พบว่าสิ่งที่พ่อเนี่ยนะขอแกเนี่ยคือขอความรัก มันไม่ใช่มือที่จะตบนะแต่มันมือที่ขอความรักที่แกได้ข้อสรุปนี้เพราะว่าเมื่อแกมาทบทวนเรื่องราวของพ่อแกก็พะว่าพ่อเนี่ยเป็นพานรงเป็นข้าราชการผู้น้อยซึ่งถูกกดถูกบงถูกกดคีถูกเหยียดหยามในที่ทำงานถูกคนเขานะกดคมตลอดก็เลยมีความเครียด พอกลับมาบ้านก็ระบายใส่เมียใส่ลูกแต่ในอีกด้านหนึ่งนะคนที่ถูกกดถูกคมถูกรังเกียจเยียดยา้มเนี่ยในส่วนลึกมันต้องการความรักความเห็นความเข้าใจนะการยอมรับสิ่งที่พ่อต้องการเนี่ยก็คือการความรักจากลูกความรักจากเมียการยอมรับจากคนในครอบครัว แต่ว่าไม่เคยได้เลยเพราะว่าไอความรุนแรงที่พ่อทํากับเมียกับลูกเนี่ยมันทําให้ใครๆก็เกลียดพ่อกลัวก็กลัวแต่ก็เกลียดด้วยแต่ว่าการที่ไม่ได้รับความรักมันก็ทําให้พ่อนี่เป็นทุกข์มากอยู่ที่บ้าน อ, อยู่ที่ทํางานก็ถูกคนถูกคนเย็ดยามพอมาที่บ้านก็ไม่มีใครรัก และพอไมมีความรับความรักเนี่ยมันก็ทุกข์นะมันก็เลยยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งใช้ความรุนแรงกับลูกก้าวร้าวกับเมียพอแกเหน็นอย่างนี้เนี่ยแกเข้าใจพ่อเลยนะแล้วก็ให้อภัยพ่อแล้วก็เลิกเกลียดเลิกกลัวพ่ออีกต่อไปก็กลายเป็นว่าสามารถที่จะกลับมารู้สึกดีกับพ่อได้ ถ้าแกไม่ไม่ผ่านจุดนี้มานะแกเ ค, คงจะเกลียดพ่อแล้วโกรธพ่อไปเรื่อยๆมันก็เป็นความฝังใจนะแต่ถ้าแกผ่านจุดนั้นมาได้เพราะว่าแกมีสตินะที่จะมานะ พ, พิจารณาจากนิมิต ท, ที่ปรากฏนะจากเดิมที่เขาจว่าไอ้มือนี่คือมือที่ตบชั้นมาเพราะว่าที่จริงมันเป็นมือที่ต้องการความรักขอความรัก ก็ทำให้ไอความฝังใจนะที่สะสมมาแต่วัยเด็กมันก็หายไปมันไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดพอ่อไปแล้วไม่มีความกลัวด้วยมันมีแต่ความรักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสหรับกรณีของแม่ที่เกลียดข้าวต้มเนี่ยนะถ้ว่ามีสติรู้ทันนะดูความเกลียดที่มันเกิดขึ้น เห็นข้าวต้มแล้วมันสึกเกลียดข้าวต้มเนี่ยเพราะมันเป็นนึกถึงความรู้สึกที่ย่ําแย่ตอนอยู่โรงพยาบาลก็มาดูมันซะดูด้วยใจที่เป็นกลางมันก็สามารถจะผ่านไปได้เหมือนกันนะหรือว่าคนที่เกลียดเป็ดเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้ใจมันเกลียดเป็ดไปเรื่อยๆเนี่ยกลับมามีสติดูมันถึงแม้ว่ามันจะย้อนให้เราลึกย้อนไปเราลึกถึงการที่ละเลย ไม่ดูแลพ่อไม่ซื้อเป็ดให้พ่อความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นถ้ามันถ้าคนคนนั้นเนี่ยได้ดูนะความรู้สึกผิดที่มันเกิดขึ้นดูด้วยใจที่เป็นกลางไม่ผลักไสแม้ว่ามันจะทำให้เจ็บปวดเพียงใดเนี่ยในสุดก็จะผ่านไปได้นะไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการ มีสติดูมันอย่างที่มันเป็นรวมทั้งความกลัวนะความโกรธ้วนะใครที่มีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยนะก็ลองนะเอาสติมาใช้ดูยอมรับอย่างที่มันเป็นแล้วก็จะเห็นโดยที่นะไม่เข้าไปผักใสมันและในสุดก็จะผ่านไอ้ความรู้สึกแําแย่นั้นไปได้ เอาอย่างนี้ก็พูดกันเท่านี้นะเอากราบพระ